โดยตอนนี้คงจะทำอะไรไม่ได้เทศก็เสียงก็ดังฟังไม่ค่อยชัดจะให้ถวายข้าวของก็ต้องเปียกเดินกันมาก็คงจะต้องนั่งเฉยๆก่อนก็เรามานั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งก่อนพอให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยค่อยทำกิจกรรมอะไรกันต่อไปอวิธีนั่งสมาธิก็ให้มีสติกํากับใจให้อยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ิติปิโสอรหังสัมมาไปหรือนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือจะพิจารณาอาการสาสสองของร่างกายก็ได้เช่นผมขนเล็บฟันหลือเกษาโลมานขาดันตากาะโจ ให้มีอะไรกำกับใจไว้อย่าปล่อยให้ใจคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวใจจะผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาหลอกเราการนั่งสมาธินี้เราต้องการนั่งให้ใจสงบเพื่อจะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้ว ต่อไปเราไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิควบคุมใจให้สงบดังนั้นตอนนี้ขอให้เรามานั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งก่อน ท่านที่ไม่มีที่นั่งก็ไปนั่งในรถก็ได้น ะ, ะเพราะว่าที่ไหนสะดวกก็นั่งที่นั่นไปตอนนี้ก็ขอให้เรามาทำใจให้สงบกันสักระยะหนึ่งก่อนอตอนนี้ฝนก็เบาลงแล้วพอที่จะทำกิจกรรมกันต่อไปได้ตอนนี้ก็คงจะให้ญาติโยมได้เข้ามา ถวายข้าวของกันแต่ก่อนจะถวายจะขออนุโมทนาให้พรก่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปะริปรเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเฟตานังอุปกัปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจฉาตุสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยถาไม่โชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุ มาเตภวตวันตระโยสุขีธีคายุโกภวะอาภีวาธนสีลิศานิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวัฏฐนติอายุวันโสุขังพาลา วันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตัสรุและพ ร, รินิพพานของพระบรมศาสดาพระอหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอ น, นรเริฐต่อสัตว์โลกทั้งปวงเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ได้ทรงตัสรุทางสู่การหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดของสัตว์โลกนานๆนนจะมีบุรุษมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้ามาโปรดสัตว์สักครั้งหนึ่งเพราะว่าความรู้ความฉลาดความสามารถของพงค์มีมากกว่า สัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายนี้ไม่สามารถที่จะค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้จะต้องติดอยู่ในคุกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาค้นพบทางสู่การหลุดพ้นพอมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนมาบอกทาง สัตว์โลกทั้งหลายก็สามารถเดินตามพระพุทธเจ้าออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วนี่คือพระคุณอันมหาศาลของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกทั้งหลายถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับหมอที่ได้ค้นพบวิธีรักษาโรคมะเร็งที่ ใครเป็นโรคมะเร็งนี้พ่อองค์จะสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยนี่คือการเปรียบเทียบแต่โรคของสัตว์โลคนี้คือโรคของความทุกข์ใจที่เกิดจากการต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบสิ้น ถ้าใดถ้าผู้ใดได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอาริยสงสารของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็จะถือว่าเป็นได้โชคอันยิ่งใหญ่ที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและพบกับความสุขที่ประเสริฐที่เป็นบรมสุข เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์นี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับจากพระพุทธเจ้านานๆพระพุทธเจ้าจะมาเกิดมาตรัสรล่และมาสั่งสอนพระธรรมให้แก่พวกเราสักครั้งหนึ่งชาตินี้เป็นชาติอันประเสริฐของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะทำให้เราที่จะสอนให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันมาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตแปลว่าถ้าใครปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นคือผู้บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนในการให้ สิ่งวิเศษแก่พวกเราแม้แต่เงินบาทหนึ่งก็ไม่ต้องการสิ่งที่พระ อ, องค์ต้องการก็คือให้เห็นพวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่พระ อ, องค์ได้ทรงหลุดพ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลาย ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไม่มีอะไรจะทําให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่จะดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆมีแต่จะทําให้เราติดอยู่กับกองทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะ พาให้เราได้ออกจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายพวกเราถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเราทั้งหลายกําลังได้ประสบกันพวกเราก็ต้องน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาคําสอนของพระอริยสงสาวกมาปฏิบัติกันเมื่อเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นกัน และเราจะได้บูชาพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปพร้อมๆกันนี่คือเรื่องของวันวิสาขาบูชาที่พวกเราได้มาน้อมลำลึกถึงกันเพื่อที่จะได้เตือนสติเตือนใจของพวกเราไม่ให้นิ่งนอนใจอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย หาความสุขจากราบยศสรรเส ร, ริญเพราะเป็นความสุขแบบเป็นกับดักของสัตว์โลกให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองอเพราะว่าเมื่อมีความชอบความผูกพันกับราบยศสรรเส ร, ริญผูกพันกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องกลับมาหาความสุขเหล่านี้อยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไป ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่มีความผูกพันกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย<ค>ก็จะกลับมาหาสิ่งเหล่านี้ต่อไปจึงทำให้ต้องกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายใหม่ แต่ในขนาดเดียวกันก็ต้องมาพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายพบกับการพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักกันซึ่งเป็นความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสมากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเมื่อช่างน้ำหนักระหว่างความสุข กับความทุกข์ที่เราได้รับแล้วนี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินครับความสุขที่ได้นี้เป็นเพียงความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ความทุกข์ที่ได้นี้เป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ความทุกข์อันมหาศาลไม่เชื่อเดี๋ยวลองเวลาเวลาแก่ดูรอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยดูรอเวลาที่จะต้องตายดูดูซิว่ามันจะทุกข์ขนาดไหน ขอให้พวกเราพิจารณาให้เห็นความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายกันเพื่อที่เราจะได้เกิดความกลัวกับการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเมื่อเรามีความกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราจะได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสอนให้เรา ยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นนี้ท่านมีหน้าที่ที่จะพาให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปให้พวกเราไปอยู่ที่ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายะ เหมือนกับ ถ, ถ้าเรามีเมืองใดเมืองหนึ่งในในโลกนี้ที่ถ้าเราไปอยู่แล้วเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายชั้นใดก็ชั้นนั้นพรนนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนเมืองที่จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกที่ได้ไปถึงเมืองนี้แล้วและได้เขียนแผนที่บอกพวกเราไว้ ถ้าพวกเราอยากจะไปอยู่ที่เมืองนี้อยู่ที่เมืองที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายก็ขอให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ให้กระทำอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ คือกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นภัยอันตรายต่อจิตใจที่เป็นผู้คอยดึงจิตใจให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติและได้เอามาสั่งสอน ถ้าเราทำได้เราก็จะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกคือเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเราจะไปอยู่ที่ที่ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่พวกเราจาเป็นที่จะต้องกระทำกัน เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองแต่เราต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งผู้สอนเราต้องเชื่อฟังในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคาสอนและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามได้รับรองได้ว่าเราจะได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหนตัสาวกทั้งหลายได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติแบบนี้ท่านละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงท่านยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมท่านชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อได้กระทำกิจทั้งสามประการนี้แล้วจิตก็จะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจิตก็จะอยู่ที่พระนิพพานอยู่กับพระพุทธทเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสา ว, วกไปตลอดอานานตการอานานตการนี่คือเรื่องราวของวันวิสาขาบูชาในวันนี้ที่พวกเราได้มาน้อมน้มลึกถึงกัน เพื่อที่จะได้เตือนสติเตือนใจให้เรารู้หน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราว่าพวกเราเกิดมาทำไมกันพวกเราเกิดมาหาความสุขมาดับความทุกข์กันแต่วิธีการที่พวกเราดับความทุกข์หาความสุขกันนั้นมันไม่ได้เป็นวิธีการที่ถูกต้องนั่นเองแทนที่จะดับความทุกข์กับเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขปลอม ความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่ความสุขนั้นเสื่อมหายไปจึงไม่ควรที่จะไปกระทำแบบที่พวกเรากำลังกระทำกันอยู่คือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพพรเพราะเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเพราะเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อความสุขนี้สิ้นสุดลงความทุกข์ก็จะตามมาเสมอแต่ทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญให้เราปฏิบัติกันนี้เป็นทางที่จะให้เราได้พบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด คือความสุขที่เกิดจากการละการกระทําบาปทั้งปวงความสุขที่เกิดจากการกระทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและความสุขที่เกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละคือการหาความสุขและการดับความทุกข์ที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายได้พิสูจน์มาแล้วและรับประกัน ว่าเป็นทางที่ถูกที่แท้จริงที่พวกเราควรจะไปกันนี่คือหน้าที่ของพวกเราคือหาความสุขที่แท้จริงดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจพวกเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครบอก วิธีหาความสุขที่แท้จริงให้แก่พวกเราพวกเราก็จะหาความสุขปลอมซึ่งกลายเป็นความทุกข์ต่อไปคือการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่คือสิ่งที่พวกเราได้มาลำลึกกันในวันนี้นำลึกถึงทางอันประเสริฐ นำนึกถึงวิธีที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวนขอให้พวกเราจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติกันแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์นถ้าใครยังอยากจะถามคำถามนี้ ก็ยังถามได้แต่ถ้าไม่มีใครถามก็อยากจะกลับบ้านก็กลับได้เช่นเดียวกันนะหือว่าวันนี้ฝนฟ้าตกมากก็ถนนห น, นทางจะลื่นก็ต้องขับรถ ด, ด้วยความระมัดระวังอย่ารีบร้อนนะมีคำถามจากทางบ้านไหมหรือว่าอ้าวถามไหมไม่ถามนะ มันใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะะนั้นก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะวไว้โอกาสหน้าค่อยมาใหม่วันนี้เราก็ได้ปฏิบัติบูชากันเราได้นั่งสมาธิกันเกือบห้าสิบนาทีด้วยกันน า, นานจะได้ปฏิบัติบูชากันสักครั้ง